Thank you. ตอนนี้ก็ได้พูดไปนะถึงเรื่องว่าแม้เราจะมาอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดผู้คนไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันอยู่กันอย่างราบรื่นสวยวิถีชีวิตนะก็ไม่ได้เร่งรีบนะเป็นไปอย่างผ่อนคลายสบายๆแต่บอยครั้งผู้คนก็ยังไม่สามารถจะพบกับความสงบใจได้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 ถึงที่สุดแล้วมันอยู่ที่ใจข้างนอกสงบแต่ข้างในไม่สงบเพราะไม่ได้ฝึกใจวางใจไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราวางใจถูกเราฝึกใจอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งใจนี่มีนิสัยใหม่เกิดขึ้นแม้จะอยู่ในที่ที่วุ่นวายเสียงดังอระทึกจอแจก็ยังสามารถจะพบความสงบได้ตอตมาเคยไป สังเวชนิสถานพวกเราหลายคนก็คงเคยไปมาแล้วสถานที่หนึ่งที่คนนิยมไปก็คือพุทธคยาพุทธคยาเนี่ยนถ้าไปในช่วงที่เป็นเทศกาลจาริกเนี่ยก็คือประมาณตั้งแต่พุทธจิตไปจนถึงกุมภามีนานจะมีผู้คนล้นหลามเลยวันหนึ่งเนี่ยคนเป็นหมื่นอาจจะหลายหมื่น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 าการสักการะบูชาพรตัตนัาตรายัยเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากศรัทธาคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเขาได้ยินเสียงนั้นแต่ว่าใจเนี่ยเขารู้สึกต่อเสียงนั้นในทางที่ดีแั้นเสียงจะดังแค่ไหนใจก็สงบได้ในทางตรงข้ามท้ากิดว่าไปนั่งอยู่ริมถนนแถวสุขุมวิทนะหรือว่าสีลมหรือว่าในตลาดสดเนี่ยเสียงดังในระดับเดซิเบลเดียวกัน อาจจะกระสับกระส่ายก็ไดนะ้เสียงดังเหมือนกันเท่ากันแต่ทำไมนะความสงบที่เกิดขึ้นในใจมันต่างกันอันนี้พราะใจนะพราใจของเราหรือใจของแต่ละคนก็รู้สึกดีรู้สึกบวกกับเสียงใจก็ไม่กระเพื่อมนะสามารถจะกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจหรือคำบริกรรมอย่างต่อเนื่อง อันนี้ก็หมายความว่าเวลามีเสียงดังกระทบผูเรานะและถ้าเราเกิดความหงุดหงิดลำคางเกิดโทรศัขึ้นมาเนี่ยตัวการมันไม่ได้อยู่ที่เสียงนะตัวการอยู่ที่ใจเราใจเราจะรู้สึกเป็นลบต่อเสียงนั้นเช่นเสียงโทรศัพท์ดังในศาลาหอไตน้นะียเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น แม้จะเป็นเสียงวิงโท น, นที่ไเราะนะแต่เราก็รู้สึกลบกับเสียงนั้นอาจจะรู้สึกลบกับเจ้าของโทรศัพท์ด้วยนะว่าไม่ปิดโทรศัพท์อาจจะมีการตำหนินต่อว่าอยู่ในใจพอรู้สึกรบเท่านั้นนะใจเราเกิดโทสะนะใจเราเป็นทุกทันทนีนเนี่ยการวางใจต่อเสียงเนี่ยหรือต่อสิ่งที่สิ่งที่มากระทบ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 การรู้ทันอาการของใจเนี่ยนะอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีสตินะบางทีเราก็ใช้คําว่าเห็นนะคาว่าเห็นหรือรู้ทันนี่ก็เป็นมีความหมายเดียวกันนะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของสตินะใจกระเพื่อมนะเราเห็นนะมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาในคือสติพอเห็นแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้ทําอะไรกับ อาการที่กระเพื่มนั้นแค่เห็นอย่างเดียวก็ช่วยช่วยเยอะแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นนะไม่รู้ทันมันเกิดอะไรตามมาเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นหรือเข้าไปยึดนะพอมีอาการกระเพื่มเกิดความยินร้ายขึ้นเกิดความไม่พอใจขึ้นนะไม่เห็นนะไม่เห็นอาการนั้นนะ จิตมันก็จะโผล่เข้าไปเป็นเลยแทนที่จะเห็นความหงุดหงิดก็เป็นผู้หงุดหงิดแทนที่จะเห็นความโกรธก็เป็นผู้โกรธนะตรงนี้เนี่ยเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีหลวงพ่อมเขียนท่านจะพูดย้ำเสมอนะว่าให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นถ้าเห็นสัอย่างเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับใจแม้จะเป็นลบมันก็ไม่สามารถ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 การเจริญสติมาช่วยทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นแต่ถ้าให้ปฏิบัติเนี่ยก็เข้าใจยากนะเพราะว่าแค่อาการเห็นมันเป็นยังไงเนี่ยก็นึกไม่ออกแล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะนึกเอานะเป็นเรื่องที่เกิดจากการปฏิบัติหรือผ่านประสบการณ์เคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งนะมาปรึกษาหลวงพ่อคําเขียนว่า หลวงพ่อทำอยังไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อไม่ตอบนะแต่ท่านผู้ว่าเนี่ยยังถามไม่ถูกให้ถามใหม่เพราะว่ามาอยู่วัดหลายวันแล้วนะน่าจะถามไม่ถูกต้องแกก็หยุดสักพักคิดสักพักแล้วก็บอกว่าหนูเห็นนะความเครียดมันเยอะเหลือเกินถามงี้เนี่ยพูดอย่างเนี้ยถือว่าพูดถูกแล้วละ่ะ มันต่างกันนะระหว่างหนูเครียดหรือเกินกับหนูเห็นความเครียดมันเยอะหรือเกินเนี่ยหนูเครียดหรือเกินว่าหนูเป็นผู้เครียดไปแล้วนี่เรียกว้าไปเป็นแต่หนูเห็นความเครียดเนี่ย <cres cere> น, นะอ่าแสดงว่ารู้แล้วนะว่าเห็นกับเป็นมันต่างกันยังไงถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราปฏิบัติมา <ouses> หลายวันก็ต้องอย่าน้อยก็ต้องแยกเห็นแยกเห็นความแตกต่างได้นะว่าเห็น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 ต่อไปก็จะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หรือกํากับสิ่งเหล่านั้นอยู่นะความโกรวก็เหมือนกันนะนักปฏิบัติหลายคนไม่ชอบเพราะมันทำให้จิตไม่สงบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นมันนะไอ้ความโกรธเนี่ยมันก็จะรบกวนเราน้อยลงถ้าเราไม่เห็นก็เหมือนว่าเราก็คือเราเข้าไปเป็นถ้าความโกรธเปรียบเมือน ก, กองไฟครับก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ถลําเข้าไป อยู่กลางกองไฟแล้วมันก็ร้อนอันนั้เรียกว่าเป็นแต่ถ้าเห็นก็คือว่าออกมาจากกองไฟ ย, ย, งง ย, ยืนดูอยู่ห่างๆนะยืนดูอยู่ห่างกองไฟจะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้ายืนดูยู่ยห่างเนี่ยมันก็ไม่ร้อนยิ่งห่างเท่าไหรนะ่นะก็ยิ่งสบายมากท่อนั้นแล้วในสุดกองไฟมันก็จะดับไปเพราะว่า เราไม่เข้าไปเติมเชื้อเติมฟื้นให้มันเราเติมเชื้อเติมฟื้นให้มันได้อย่างไรนะก็โดยการที่นึกถึงมันบ่อยๆนึกถึงคนที่เราเกลียดบ่อยๆนึกถึงคนที่เราโกรธอยู่ไม่หยุดหย่อนทั้งที่ไม่ชอบเขาแต่ก็นึกถึงเขาเนะอาจจะเรียกว่าวันละหลายครั้งกินก็นึกนอนก็นึกเนี่ย การนึกเช่นนั้นแหละคือการเติมเชื่อเติมฟืนให้กับกองไฟแห่งความโกรธมันจึงไหม้มัน จ, งนจึงลุกนะ่ะอยู่เรื่อยๆทั้งที่เราไม่ชอบนะทั้งที่เราอยากจะผลักใสความคิดหรืออารมณ์เหล่านั้นความโกรธเราไม่ชอบเราอยากจะกรบเราอยากจะผลักมัน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 ทสานั้นทำให้รู้สึกลบไม่พอใจนะอันนี้เคยผมว่าทำไมรู้ว่าโกรธแต่ทําไมยังโกรธอยู่นะเพราะาเราไม่ได้รู้เฉยๆเรารู้แล้วมันมีความรู้สึกลบมันจะเข้าไปจัดการในการเจริญสติเนี่ยถ้าเราถ้าเราเข้าใจหลักนะเราก็คือว่าเราจะเห็นมันหรือรู้เฉยๆครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็รีเน้นว่า ให้รู้ซื่ อ, อรู้ซื่อคือรู้เฉยๆนะไม่ต้องไปสู้รบตบมืออะไรกับมันแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันก็ทำใหอ้อาการที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันสงบลงแม้กระทั่งอารมณ์โกรธจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตนะ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 ภาพฝรั่งหลายรูปเนี่ยมาอยู่ปฏิบัติกับหลวงพ่อที่วัดหนองปลาพงมีคราวหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณสักกิโลหนึ่งเขามีงานคงไปคงมีนงานศพนะก็เลยเกิดมีหมอระศพหมอระศพนะทั้งวันและทั้งคืนดนตรีหมอลำหนังกลางแปลง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 พระจะได้หลับได้นอนมากอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนที่จะตื่นมาทําวัตตีสามชาวบ้านไม่ยอมเพอาะชาวบ้านไม่ยอมทําไงพระก็เลยไปขอพึ่งบา ร, รมีหลวงพ่อชาเพราะเชื่อว่าชาวบ้านนี่เก่งใจหลวงพ่อชาแล้วคิดว่าหลวงพ่อชาคงจะเห็นด้วยกับตุ๊พกพวกตนเพราะท่านก็เห็นว่าไอพิธีกรรมของชาวบ้านนี่มันก็ฟุ่มเฟือยนะแล้วก็ ท่านก็อยากจะเห็นวัดสงบสงัดแต่พอไปปรึกษาแล้วนะขอความเชื่อจากหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาปฏิเสธผิดคาดท่านบอกว่าเสียงไม่ได้รบกวนพวกท่านท่า น, น่ะไป็รบกวนเสียงท่านยี่งงเลยนะไม่เข้าใจว่านะี่เราไปรบกวนเสียงยังไงนะรบกวนเสียงข้างในไงใจเนี่ยนะมันเป็นรบกวนไปต่อสู้ ไปทลอต่อเถียงกับเสียงนะไม่ใช่แค่ได้ยินเฉ ย, เฉยแต่ไปทะเลาะกับเสียง mm hmm. ก็เลยทุกขนะ์กว่าพระเหล่านั้นจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพชาผู้่งคงใช้เวลาหลวงพ่อชาติาไม่ได้เดือดร้อนเลยกับเสียงนะั่นแลยนะแม้ว่าท่านจะชอบความสงบสงดัดแต่เสียงดังท่านก็เฉยนะตอนที่ท่านไปพาพระไปไปเผยไป ตอนที่ท่านดันิมอนไปแสดงธรรมที่ประเทศเอังกฤษก็เคยระเจอปัญหาทํานองนี้นะวิหารที่หลวงพ่อชาท่านพักอยู่กลางกรุงลอนดอนตรงข้ามก็มีผับบาร์สมัธนคงไม่มีคาราโอเกนะเย็นวันศุกร์เนี่ยก็มีการทุกเย็นนะทางวัดก็มีทางวิหารก็มีการนั่งสมาธิประมาณเกือบชั่วโมง ระหว่างที่นั่งสมาธิผนะับบาตรงข้ามก็ส่งเสียงดังสมานาดิสโก้ก็เริ่มจะแพร่หลายแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อซูเมโธ ท, ท่านเล่าว่าท่านนั่งสมาธิไม่มีความสุขเลยเสียงดังก็ยังไม่เท่าไหร่นะมันยังร้องเพลงไม่พอซะด้วยแต่หลวงพ่อชานี้ท่านนั่งนิ่งเลยนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอจบนำสมาธิจบ เจ้าภาพนะชาวอังกฤษก็มาหาหลวงพ่อขอโทษขอโท ษ, ขอโทษที่มีเสียงรบกวนท่านก็พูดคล้ากันนี่แล้วว่าโยมไปเข้าใจว่าเสียงรบกวนโยมแต่ที่จริงอะ่ะโยมไปรบกวนเสียงต่างหากนี่ลองพิจารณาดูนะว่าไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ใจเราเนี่ยมันเป็นลบนะกับสิ่งที่มากระทบหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนยุงกัดนะหรือว่าความปวดความเมื่อยจริจริงมันก็เป็นเรื่องที่พอทนได้นะมันเป็นทุกขเวทนาที่เกิดกับกายแต่ว่าบ่อยครั้งเราซ้ำเติมตัวเองด้วยการต่อล่าต่อเทียงกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นพยายามผลักไสมันพอผลักไสไม่สำเร็จนะ ก็ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งหงุดหงิดใจก็บน่นตีโพย ต, ตีพายโอดครวนหารู้ไหมว่าอาการของใจเหรานั้นแหละนะที่มันซ้ำเติมตัวเราแทนที่จะทุกข์แค่กายก็ทุกข์ใจด้วยแทนที่จะปวดนะกายก็ปวดใจด้วยแต่ถ้าเรามีสตินะเออพอใจมันบน่นววายตีโพย ต, ตีพายเนะี่ยเราจะรู้ทัน นะพอรู้ทานปุ๊บเนี่ยมันกลับมาเป็นปกตินะหรือจะพูดอย่างนึงคือพอเราเห็นมันเห็นอาการของใจที่มันบนวายวายนี่นกลับเป็นปกติเลยนะตอนที่เราเห็นเนี่ยนะมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ว่าจิตมันหลุดออกมานะจากจากโทสะจากอารมณ์จากความยินร้ายนะ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 เห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นมันเข้าไปเป็นเพราะเห็นนี่แหละเพราะว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยก็คือไม่มีสติคลองใจเนี่ยมันก็จะปรุงตัวกูขึ้นมาและตัวกูนี่แหละนี่ยก็จะไปยึดความโกรธความปวดว่าเป็นกูเป็นของกูไปทุกครั้งที่ไม่มีสติมันจะมีความยึดมันจะเกิดการยึดว่าเป็นกูเป็นของกูทั้งที่สิ่งที่ยึดมันไม่น่าจะเนี่ยไม่น่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเลยเช่นความปวดความเมื่อยเนี่ย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 ถ้ามีสติมันก็จะสดวดเออกูเดินกูยกมือนะมันมีตัวกูขึ้นมาเป็นเจ้าของกิริยาบทต่างๆหรือเป็นผู้กระทํำิริยาบทต่างๆอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะเวลาเดินก็ก็จะเห็นว่าโออกายมันเดินไม่ใช่กูเดินเวลาคิดเวลาฟุ้งก็จะเห็นว่า อ, อ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 ความหมายเบื้องต้นคือว่าแทนที่จะเห็นว่าอะไรอะไรก็เป็นกูมันแยกออกมาว่าอ่ออันนี้เป็นรูปกระทําอันนี้เป็นนามกระทําำอังคูบาจ้างใช้คำว่ารูปทำนามทำเนี่ยแต่ก่อนมีแต่กูทำกูทำนะแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยมันเห็นอ่อนี่รูปทำอันนี้นา ม, มทำทำนี่คือทศอรัลอำนะอันนี้เรียกว่าแยกกายกับใจนะ แต่ก่อนมันไม่แยกมันมีตะกูนะมันมีตะกูนะก็เป็นเรื่องของอัตตาตัวตนแต่พอมีสติปุ้บเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นกายกับใจเป็นรูป ก, กับนามหลวงพ่อคำเหนืใช้คําว่าทะลุงนะสติเป็นตัวทะลุงทะลุงเนี่ยมันแปลว่าแยกนะแยกย่อยเหมือนกับเราใช้ถลุงแร่เนี่ยไอ้ก้อนแร่ที่มันสกรปรกเนี่ยพอทะหลุงแล้วมันก็เหลือแต่แร่ที่เป็นของดีนะ สติเป็นตัวถลุงจากเดิมที่อะไรแล้วก็กูนะกูเดินกูคิดกูโกรธกูปวดนะพอมีสติปุ๊บนี่นะอันนี้เป็นเรื่องของรูปอันนี้รูปเดินอันนี้นามคิดนะตอนมันจะแยกเป็นเวทนานะอ่อเวทนาก็อันหนึ่งนะกายก็อันหนึ่งนะจิตก็อันหนึ่งตอนแ้วก็เห็นว่ากายปวดกายปวดต่ลังดูไปดูไปเอ เราจะแยกมาว่ากายก็อันหนึ่งเวทนาก็อนหนึ่งนะอารมณ์นะแต่ก่อนนี่เวลาโกรธนี่กูโกรธนะต่อไปมันแยกมาออกความโกรธก็อนหนึ่งอารมก็อันหนึ่งเนะ น, นี่ยนะการเห็นเนี่ยนะทีแรกมันทําให้ใจสงบนะพอเราเห็นอารมณ์เนี่ยต่างๆอารมณ์ก็ไม่รบกวนใจก็สงบแต่ต่อไปพอเห็น เห็นความจริงในลักษณะที่ว่ามาเนี่ยนะว่ากายก็อั น, นึงนะจิตก็อั น, นึงเวทนาก็อันนึงเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเข้าวิปัสสนาแล้วนะมันจะเห็นว่าโอ้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูเลยนะงั้นเนี่ยการเจริญสตินี่มันมันไม่เพียงแต่ทําให้ใจสงบนะแต่ว่าทําให้ใจสว่างด้วยนะทําให้ทําให้เห็นความจริงซึ่งจะช่วยทําให้ความยึดติดถือมั่นจางคลายกิเลสก็เบาบาง พอกิเลสเบาบางคอยยึดถือมั่นจางคลายนี่นะความสงบสงัดในจิตใจก็เกิดขึ้นนะทีแรกเนี่ยก็สงบนะเป็นครั้งคราวเมื่อมีสติรู้ทันไอความฟุ้งซ่านก็หายไปแต่ว่าเผลอเมือ่อไหร่ก็ฟุ้งใหม่นะเพราะว่ามันยังมีความยึดถือมั่นยังมีกิเลสคอยเป็นเป็นตัวปรุงตัวกระตุ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เห็นความจริงนะเห็นสัจธรรม กิเลสมันเบาบางหรือว่าหมดไปเนี่ยมันก็จะเป็นความสงบอย่างแท้จริงทางพระเรียกว่าอุปธิวเวกนะอุปธิวเวกคือความวิเวกความสงบเพราะไม่มีกิเลสมาลบกวนอันเนี้ยอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยสังัดจากกิเลสสังัดจากกิเลสส่วนใหญ่คนรู้จกักแต่ว่าสังัดจากเสียงที่ลบกวน มาวัดเพราะว่าวันเนี่ยคาดหวังว่ามันจะสังัดจากเสียงที่รบ ก, กวนสังกัดจากชิอะไรที่มันวุ่นวายเสียกระทึกนะแค่นั้นไม่พอนะมันต้องต้องไปให้ถึงขั้นว่าสังัดนะจากความฟุ้งซ่านด้วยนะแต่สังัดจากความฟุ้งซ่านมันก็เป็นครั้งคราวนะตามใ น, นที่มีกิเลสมันยังฟุ้งอยู่นะฟุ้งด้วยฟุ้งเป็นด้วยฟุ้งเป็นความโลภ บ, บ้างความโกรธบ้างความโศกความร่ำไรรำพัน